จนกระทั่งบางคนเนี่ยสู้ไปก็ร้องห่มร้องไห้ไปสู้ไปก็ร้องห่มร้องไห้ไปอืสุดแสนเสียดายสู้ไปเนี่ยนะโอ้โหแต่ว่าแหมมันอะไรอ่ะต้องสู้โอ้โหคุณก็เต็มที่ของคุณเลยนะต้องสู้ต้องเอาชนะมันให้ได้คุณสู้ไปเนี่ยคุณโอ้โหน้ําตาไหลพรากพๆ ก, รกพระพุทธเจ้าถึงใชยสํานวนนี้น่ท่านถึงยกย่องท่านถึงสรรเสริญ คนที่เรียกว่าขนาดว่าโอ้โหมีไอ้วิบากกรรมมีไอสักะยะตัวเบ่งเบ่งตัวใหญ่ๆหญ่เนี่ยนะแต่ว่าเขาสั ม, มาทิฐิแล้วเขาชัดเจนว่าอันนี้มันเป็นกิเลสมันเป็นตัวเลวร้ายมันเป็นใจที่เลวถ้าจะเอาชนะมันไม่มีทางอื่นเลยคาว่าใจเดดก็คือคุณชัดเจนในทิศทางนี้ชัดเจนในทิศทางแต่คุณไม่สามารถเอาชนะได้ในครั้งเดียว คุณไม่สามารถชนะได้ดครั้งเดียวยิ่งยิ่งอะไรที่เป็นสักยะเนี่ยคุณเอ้ยไม่มีทางหรอกชนะใ้ครั้งเดียวเนี่ยหายากยากมากๆยากมากๆจริงๆเพราะส่วนใหญ่เนี่ยสู้ไปแล้วชนะบางแล้วเดี๋ยวก็แพ้แพ้เสร็จก็สู้อีกจนกว่าจะชนะสู้แล้วสู้อีกเนี่ยจนกว่าจะชนะนะเขาบอกว่าอะไรนะ อาจมาก็เพิ่งเขียนเป็นสโลกลงในสาโศกเล่มใหม่ที่จะออกแต่จําไม่ได้ละเขียนไว้ในใต้ล่มาโศสมะลงท้ายไว้จําได้แต่ว่าสมมุติว่าถ้าเราจะสู้กับกิเลสเนี่ยใช่ไหมคือเราไม่สามารถที่จะชนะได้ในครั้งเดียวคือคือมันไม่มีทางเป็นไปได้มันไม่มีทาง เพาะฉะนัมันจะต้องโหภากเพียนจะต้องปฏิบัติจะต้องลดละกันจริงๆแม้น้ําตานองหน้าอยู่นี่ก็ต้องกัดฟันต้องสู้แล้วถ้าใครทําได้อย่างนี้นะเนี่ยใครทําได้อย่างนี้ไอ้ที่เราสั่งสมมายาวนานเนี่ยมันจะสั้นลงจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยเรยนะและความใจเด็ดของเราเนี่ยที่เราจะชนะเนี่ยจะมากข้างขึ้นมากขึ้นข้างขึ้นมากครั้งขึ้น เพราะคำว่าใจเด็ดไม่ใช่แปลว่าครั้งเดียวอัตมาถึงบอกบางคนนี่ใจเด็ดก็ต้องฉับไปเลยทีครั้งเดียวก็ขาดไปเลยสองท่อนอันนั้นมันอันนั้นเขาต้องมีมีดพิเศษนะของคุณน่มีดมีดจากไหนอ่ะไม่ใช่อรันยิกสักหน่อยมีดนะมีดสนามหลวงมีดอะไรี่ประเภทโอ้โหซื้อมาเนื้อเหล็กก็ไม่ค่อยดี นะต่อให้รับมาคมนะรับมาคมเนี่ยเนื้อเหล็กไม่ดีคุณฟันไปฉับเดียวบางทีก็ทื่อและเหมือนกับเนี่ยเวลาปองผมอะพวกอัลมาเนี่ยใบยมิโกเนี่ยเอามาปองผมเนี่ยใบยมิโก่ยซื้อมาใบใหม่เอี่ยมเอียมเลยแกลกแกลกได้ทีสองทีเท่านั้นเองอะทื่อเลยนะโอ้โหหลังจากนั้นนี่ไม่เข้าเลยมาก็ตัวเองนี่เคยเจอมาแล้วเพราะใบามีโกบางยี่ห้อ คล้ายเหล็กมันไม่ดีครั้งน้นที่มันคมนะเขาก็ไหมเอี่ยมเนี่ยเขารับมาคมแต่เนื้อมันไม่ดีอ่ะพอเจอเส้นผมเราเส้นโตๆหน่อยอ่ะใช่ไหมแกรกแกรกทีสองทีนะั่นเองทื่อแล้วไม่เข้าเลยจริงๆนะไม่เข้าล้วถ้าถ้าใช้ใบมีดแบบนั้นนะนะนะรับรองเลยสมมติว่ากล่องหนึ่งมีสิบใบเนี่ยเผลอๆกว่าจะปร่งบดหัว่วนี่ยมันต้องใช้สักสองกล่องหรือปเปล่าอ่ถึงจะปงปรงผมได้หมดหัว แต่โอ้โหใบมีกรนที่เหล็กเขาดีๆหน่อยนะแล้วมันต้องคมอยู่แล้วเพราะมันใบใหม่เนี่ยโอ้โหคราวนี้ต้องระวังนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยลากนะเผลอไม่ได้นะเผลอมันเข้าเนื้อเลยนะคุณอ่าต้องค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆแหมช้าๆค่อยๆช้าๆทีนิดทีนิดปรองใจเย็นๆค่อยๆปรองแต่ว่าพอคุณปาดลงไปตรงไห้เนี่ยโอ้โหเส้นผมกระจุยตรงนั้นอะ ขาดเรียบกริบเลยนะเรียบกริบตรงนั้นเลยทันทีเลยเพราะออืใบมีดมันคมมากเลยใบมีดโกนเนี่ยเสร็จแล้วพอพอปองไอเนี่ยนะปรากฏว่าคุณแทบไม่ต้องมาปองซ้ำอะไรอะ่ะเพราะว่าพอปาไปปั๊บมันเรียบเลยเรียบเลยโคนเคอรนี่มันขาดไปหมดเลยแต่ใบมีดโกนไม่คมเนี่ยนะพอเราลากมาเสร็จแล้วนะมันขาดไอ้กลางๆอะไรอย่างเงี้ยไอโคนเคอร์นบางทีมันยังเหลืออยู่เลย นี่แหละเนี่ยยกตัวอย่างให้คุณฟังแล้วอาจมาก็เปรียบเทียบจากนี้เนี่ยมันนึกของจริงได้เพราะมีพิกสูที่ท่านปรากฏว่าบรรลุธรรมตอนปลงผมนี่แหละนี่แหละขณะที่ท่านปลงผมเนี่ยนะท่านก็ปลงกิเลสท่านไปด้วยก็เลยบรรลุธรรมเลยตอนปลงผ ม, อ, มอันนี้เปรียบเทียบเพืฟังเพราะนั้นคุณอย่าใจร้อนใจเร็วง่ายๆ แล้วมันก็ยากสำหรับค น, คนใจร้อนใจเร็วนะเพราะว่าก็ของเก่ามันสะสมไว้ใช่ไหมความใจร้อนใจเร็วพอมาปฏิบัติธรรมก็อยากจะให้ได้เร็วๆมันก็เป็นไปตามธาตุที่ที่มีมาอยากได้เร็วๆแหมมาฝึกฝนนิดๆหน่อยมาพบธรรมะใช่ไหมยังไม่ทันไรเลยแหมอยากได้เหมือนคนที่เขาโอ้โหสะสมบา ร, รมีมา เขาฝึกฝนเขาทำมาอย่างนี้บางทีก็ทํามาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปียังเคยยกตัวอย่างอ่ะบางคนนี่บารมีไม่มีมาเลยนะกินก็ไม่มีมือมาอย่างเงี้ยโอ้โหมาเห็นคนที่เขากินได้มือเดียวแล้วเขาก็แหมสบายละหน้าตาเออบิ่มจแจ่มใสนะไม่ผอมแห้งแรงน้อยอะไรกินมือเดียวโออุดมสมบูรณ์ดีอือมาเห็นเขาอยากเป็นอย่างเขาเลยนะ ทันทีเลยเอาเลยใจร้อนใจเร็วทาเลยทันทีบางคนอดทนอยู่นะทาพยายามฝืนทาพยายามฝืนทาเลยนะยนยยยยยนะแต่ว่าโดยสภาวะเนี่ยมันยังไม่ถึงไงแล้วก็ใจร้อนนะพอทำไปแล้วก็อยากให้เป็นอย่างเขาเลยอยากให้ได้อย่างเขาแต่ตอนี้ขีดความสามารถเนี่ยมันไม่เท่าแล้วมันไม่ถึงพอทำไปแล้วบางทีมันไม่สุขสบายเหมือนเขาเนาะโอ้โหทำไปแล้วมันฝืนมากเลย มันฝืนใจมากทั้งลำบากทั้งทรมานตัวเองหนักน่าสาหัสสากันจนบางคนก็พยายามกัดฟันกัดฟันส่วนใหญ่สายเจโตนี่กัดฟันคมคมคมคมมาแวะแต่ใจมันชักไม่มีปิติชักไม่ยินดีแล้วนะแต่ก็ต้องทําให้สําเร็จใจเด็ดพยาพยามพยายามพยายามแต่โดยฐานะของจิตตัวเองเนี่ยมันยังไม่ถึงไง ขั้นตอนมันมันปฏิบัติมาไม่ไม่ไม่ดีพอเพราะพอทำไปแล้วเนี่ยมันฝืนจิตฝืนใจตัวเองจนเกินกำลังที่ตัวเองเนี่ยจะฝืนได้เพราะบางคนถึงมาลงที่เป็นโลกกระพ่อมั้งหรือไม่ก็ไปพานพะโลกับชาวบ้านชาวช่องเขาเพราะว่ามันต้องระบายออกความอึดอัดความความลำบากความไอทรมานของตัวเอง ไปตูมตุมตุม้มใส่คนรอบข้างอะไรต่อเลยเนี่ยเนี่ยเพราถานมันไม่ถึงเพราะอย่างเงี้ยก็ต้องรู้ตัวว่าเอ้ยเราเนี่ยจะเอาอย่างนั้นเลยทีเดียวให้เป็นอย่างนั้นในเวลาอันรวดเร็วเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นข่าวนี้ถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยเขาก็เออสู้อย่างใจเดดที่จะพยายามสู้พยายามต้องฝืนสู้กับกิเลสอยู่ดีแหละแต่มันฝืนสู้แบบทําไปทําไปทําไปไม่ใช่มุ่งว่า ทำครั้งนี้แล้วต้องให้ได้เลยทําครั้งนี้แล้วต้องให้ได้เลยมันไม่ไปมีจิตยอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ทําไปทําไปข่าวไหนชนะก็มีปิติขึ้นมาแต่ข่าวไหนแพ้เนี่ยมันก็ไปถึงกับโขถูหอเหียวพอรู้ว่าเอยเรามันยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นมันก็ต้องอาศัยทําไปเรื่อยๆทำไ ป, ไปบ่อยๆจนกว่าเราจะได้เหมือนเขาอันเนี้ยเพราะฉั้นตรงเนี้ยถ้าใครจะแก้ นะใจเร็วหรือใจเร็วได้ก็ต้องพยายามทำไปบ่อยๆทำไปมากๆนะอย่าไปท้อแท้อย่าไปท้อถอยอะไรง่ายๆอ่าเสแล้มีมีคำถามหนึ่งนะเขาเขียนมาถามว่าอันนี้อาจจะหลุดไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเขาถามว่าพระอานนท์ เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามากได้เกิดมาพบพระพุทธเจ้าก็หลายชาติแต่ทําไมพระอานนท์กลับเป็นบุคคลที่บรรลุธรรมช้ามากเออก็น่าคิดแต่จะมาบอกอยู่อย่างหนึ่งนะคนที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเนี่ยเยอะแยะไปแล้วแต่ว่าฐานะไหนพระอานนท์เนี่ยฐานะส่วนใหญ่นะ ก็ใกล้ชิดในระดับหนึ่งใช่ไหมอ า, อาจจะถือว่าเป็นระดับเครือญาติมิตรสหายหรือว่าพี่น้องอะไรเงี้ยนะอนี่พนะาะ น, นนนี่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองเอา้าวส่วนคนอื่นอีกอะอย่างพระนามพิมพ์พาเกี้อโอ้โหเป็นคู่ครองกับกับชาติต่ตางๆของอดีตของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหหลายๆชาติเหมือนกันแล้วบรรดุทําเร็วปะ นะบลุทำเร็วหรือเปล่าพระนางพิมพาเนี่ยใช่เหมือนกันใช่ไหมชากว่าพระอนนทด้วยมึงบวดที่หลังหรือเปล่าอืมอ้าวเสร็จแล้วขอนี้อ้าวระดับเอาขึ้นไปอีกเป็นพ่อแม่ของผู้พระเจ้าอ่ะใช่ไหมล่ะพระเจ้าสุโทธทนะใช่ไหมอ้าวพระนางสริริมหามายาอ้อาวอย่างเงี้ยก็ คงไม่ชาติเดียวแน่แน่ใช่ไหมบางทีโอ้โหก็เป็นมาตั้งกี่กี่หลายชาติกี่ไม่รู้ละกี่ร้อยกี่พันชาติช็แล้วแต่ก็ใกล้ชิดมาอย่างเงี้ยแต่สิ่งเหล่านี้เอย่าบอกเลยเลยว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าการใกล้ชิดพระพุทธเจ้าหรืออย่างอย่างคุณเนี่ยคุณคุณมีพระไตรปิฎกอะสมมตินะใกล้ชิดพระไตรปิฎกเออมีมีสักตู้หนึ่งมีมีชุดหนึ่งเนะี่ยเอาไว้ที่บ้านคุณเลย ไว้ในบ้านเอาเอ า, เอาให้ถึงกันนี้เอาไว้ในห้องนอนคุณเลยเอา <c oughs> ใกล้ชิดมากเออเอาหนุ น, นอนเลยเอาให้หนุ น, นอนทุกวันเลยด้วยอ่ะเนี่ยใกล้ชิดมากเลยแล้วหมายถึงว่าคุณจะบรรลุทำไวมไหมฮะหมายความว่าจะบรรลุทำไวัหมมันไม่เกี่ยวใช่ไหมมันเกี่ยวอยู่ตรงไหน้ที่จะบรรลุทำไวหรือบรรลุทำช้าเนี่ยมันเกี่ยวตรงไหน มันเกี่ยวอยู่ตรงการประพฤติปฏิบัติใช่ไหมลดละกิเลสชาติโน้นชาตินี้มาใกล้ชิดพระเจ้าเป็นอย่างน้นเป็นอย่างนี้เป็นเครือญาติเป็นพี่น้องเป็นพ่อแม่ก็แล้วแต่แต่คุณไม่ได้ปฏิบัติทรมาเออแต่คุณก็แหมพยายามตั้งจิตพยายามอธิษฐานคุณก็ทําดีขนาดนึงแหละแต่ว่ามันมันยังไม่ดีพอไงมันไม่ดีมากเนี่ยแต่มันดีฉันนี่จะเรียก ว, ว่าตามได้ตามได้ ดีขนาดหนึ่งว่าตามเป็นอย่างนั้นตามเป็นอย่างนี้ได้แต่เรื่องบรรลุธรรมนี่เป็นเรื่องส่วนตัวบุคคลนะคุณพระพุทธเจ้ายังจะมาช่วยให้คนนั้นคนนี้บรรลุธรรมไม่ได้เลยท่านเพียงแต่แนะนำได้แต่ท่านช่วยให้บรรลุธรรมไม่ได้คนจะบรรลุธรรมคนนั้นต้องทำเองการบารรลุธรรมบางคนใกล้ชีพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าทาั้งก้สอนระวักะลิอย่างนี้ กล้ชิดพระพุทธเจ้าแล้วเป็นไงโอ้โหหลงไหลในรูปกายของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ําไปแล้วเป็นไงไม่เพียงแตจะไม่บรรลุธรรมนะเป็นยังไงโอ้โหเพลอๆยังจะเสื่อมจากธรรมก็ได้ถ้าปรากฏว่าอยู่ใกล้แล้วเป็นไงอยู่ใกล้แล้วงไงอยู่ใกล้แล้วไม่เห็นธรรมเอ้าพระเจ้าท่านบอกว่าเป็นยังไงอ่ะ ผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเราตถาคตใช่ไหมละ่ะบางคว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแต่แต่ไม่เห็นทำแล้วเท่ากับไม่เห็นอะไรไม่เห็นพระพุทธเจ้าด้วยนะก็ใกล้แบบศูนย์เปล่าใกล้แบบว่างเปล่าเพราะนั้นถึงบอกว่าอันนี้อยู่ที่เจ้าตัวเองว่าปฏิบัติไหมคราวนี้ต่อให้ ได้ฟังผู้เจ้าเทศด้วยพระวัคคฤษิก็ได้ฟังผู้เจ้าเทศสอนแต่ปรากฏว่าสอนแล้วถ้าท่านไม่เอาไปพืชท่านไม่เอาไปปฏิบัติให้เกิดมากผลกับตัวเองแล้วท่านจะบรรลุเร็วได้อย่างไรไม่มีทางเหมือนพวกเราเนี่ยแหละบางคนเนี่ยมาฟังทำทุกคืนทุกคืนเนี่ยอาจจะบรรลุช้าก็ได้นะบอกให้รู้ถ้าคุณฟังแล้วคุณก็ไม่ได้เอาไ ป, ไปพืชไม่ได้เอาไปปฏิบัติอะไรอะ่ะ บางคนเนี่ยฟังพ่อท่านมากี่สิบปีแล้วอาตมาก็เดือดคนหนึ่งนะฟังมากี่สิบปีแล้วอะ่ะโอโ้โหแทบจะจําไม่ได้แล้วมันยาวนานเือะเกินอาตมาว่าก็ฟังมาร่วมยี่สิบกว่าปีสามสิบปีอะไรมาแล้วนะอ่าพอฟังพ่อท่านมาตั้งแต่ท่านยังเป็นคาวาสอยู่เลยได้ซ้ำไปนะอ้าวเพราะฉะนั้นแล้วโอโ้โหบางทีเราก็ฟังมาตั้งเนิ่นนานแล้วทําไมเรายังชายอยู่ล่ะ พราะเรายังปฏิบัติได้ไม่ดีพอมันก็ชาอยู่อย่างเงี้ยอาตมาถามพวกคุณว่าทุกวั น, นเนี่ยเนี่ยคุณฟังเทศฟังธรรมคุณเอาละรู้ธรรมมามากพอสมควรแล้วคุณเคยถามตัวเองไหมว่าตอนนี้เราบรรลุอะไรไปบ้างแล้วโสดาส ก, กิทาอนาคาหรือหันไปแล้วตอนนี้ <c oughs> หันแล้วหรือยังตอนนี้ เคยถามตัวเองแม่บางทีไม่เคยถามเลยนะไอที่ไม่เคยถามเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่กล้าคิดเพราะขืนคิดแล้วมันจะรู้ว่าแหมไม่ค่อยจะทำอะไรมากเลยไม่ค่อยไะปฏิบัติมากเลยเพราะว่าแหมเรายังแย่อยู่เลยบางคนไม่กล้าคิดเพราะเหตุนี้แต่จริงๆปฏิบัติทาไปแล้วเนี่ยถ้า คุณชัดเจนคุณถูกต้องคุณจะต้องรู้ตัวเองนะว่าตอนนี้เราปฏิบัติไปได้ขนาดไหนแล้วอย่างน้อยเนี่ยคุณไม่รู้อะไรอื่นมากคุณรู้ไหมคุณปฏิบัติศีลห้าได้แล้วหรือยังคุณปฏิบัติศีลแปดได้แล้วหรือยังคุณปฏิบัติขึ้นมาถึงศีลสิบได้แล้วหรือยังศีลพระคุณปฏิบัติได้ไหมอย่างน้อยเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยอันนี้ไม่จะยุ่งยากอะไรคุณเอามาเทียบใช่ไหมเอามาตรวจสอบตัวเองได้เลยว่าตอนนี้ปฏิบัติไปได้แค่ไหน คุณก็จะพอที่จะตอบตัวเองได้ว่าเออตอนนี้เราเร็วหรือว่าเราช้านาเสร็จแล้วมันก็มีคําถามสุดท้ายเนี่ยที่ถามมาคือบริมันตรงๆกันมีผู้ถามว่ า, าที่กล่าวว่าผู้เห็นทุกจึงเห็นธรรมผู้เห็นธรรมจึงเห็นเราตถาคตคําว่าเห็นทุกคืออย่างไรคําว่าเห็นธรรมคืออย่างไร นะตะ ก, กี้ซึ่งตะ ก, กี้นี้ก็ยับยบไปแล้วผู้เจ้าทั้งก็ะตัดไปแล้วผู้ที่เห็นธรรมก็คือเห็นพร ะ, ะ, พ, ระพุทธเจ้าผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องแล้วต้องเห็นธรรมะด้วยแล้วคําว่าเห็นธรรมเนี่ยคือต้องเห็นทั้งธรรมะเนี่ยแล้วคุณต้องเห็นทั้งการกระทาของตัวเองด้วยคุณต้องเห็นธรรมทั้งสองตัวนี้เลยทั้งการกระทาแล้วก็ทั้งธรรมะ ธรรมะเนี่ยก็แม้ธรรมะนี้กว้างแปลได้เยอะแยะหลายอย่างนะแปลพ่อท่านบางทีก็แปลว่าทรงได้คือคื อ, ค, อคือมีแล้วเป็นแล้วทําให้ได้นะคําว่าธรรมะเนี่ยหรือว่าแปลว่าความเป็นจริงหรือว่าแปลว่าสรรพสิ่งต่างๆทั้งหลายเนี่ยทั้งหลายแหล่ในโลกเนี่ยก็เรียกว่าธรรมะก็ได้อืมทั้งดีทั้งเร็วทั้งอะไรนี่ถือว่าเป็นธรรมะทั้งหมดอืมก็ได้ แต่เอาละพูดแล้วเดี๋ยวมันจะสับสนเดี๋ยวมันจะกว้างไกลเอาว่าธรรมะเนี่ยเป็นความดีก็แล้วกันแต่มุมเดียวอย่างเงี้ยแหละแปลว่าความดีเอาเพราะฉนั้นคุณจะต้องเห็นความดีที่ถูกต้องที่เป็นสัจธรรมนี้ให้ได้แล้วคุณก็ต้องเห็นการกระทําของตัวเองที่ทําดีนั้นให้ได้ด้วยถ้าคุณไม่เห็นอย่างนี้คุณไม่มีวันเห็นธรรมคุณไม่มีวันเห็นพระเยซูเจ้า แล้วคุณก็ไม่มีวันเห็นทุกข์ด้วยเพราะคนที่จะเห็นธรรมะได้คนจะเห็นพระพุทธเจ้าได้ต้องเห็นทุกข์ให้ได้ด้วยโดยเฉพาะทุกข์ที่เป็นสัจธรรมหรือทุกข์ที่เป็นอริยสัจไม่ใช่ทุกข์ธรรมดาทั่วๆไปนะอันนี้พูดบ่อยมากเลยถ้าคุณเห็นทุกข์ธรรมดาทั่วๆไปโอ้ ไม่ได้กินข้าวก็หิวข้าวเอาว้าไมโทรอย่าว่าใจคนเลยหมูหมากาไก่มันก็รู้ไม่ได้กินอะไรมันก็หิวมันก็เห็นทุกอันนี้ได้เพราะไอ้ทุกแบบนี้นี่ตัดล่อไปได้เลยทุกแบบธรรมชาติพวกนี้นะอันนี้ไม่ต้องมาเข้าขายอะไรอะ่ะจะเห็นทุกถึงขั้นพระพุทธเจ้าตัดสรู้มาเห็นทุกอริยสัตว์พวกนี้หรอกนี่มนันเรื่องธรรมดาอยู่แล้วหรือใครมาตีหัวเราแล้วเราก็เจ็บ โอโ้ทุกอันนี้ไม่ไม่ต้องอ่ะ น, นี่มันเป็นปฏิกิริยาธรรมดาอยู่แล้วใครๆก็รู้ได้ก็เห็นได้แต่ทุกอริยสัจในที่นี้นี่หมายถึงว่าผู้ใดเนี่ยจะเห็นธรรมจะเห็นพระพุทธเจ้าหรือจะเห็นทุกอริยสัจอย่างนี้ได้ผู้นั้นจะต้องเห็นสัจจะเห็นความเป็นจริงตามความเป็นจริงเลยว่าสิ่งนี้ถ้าทําไปอย่างนี้ๆแล้วนะกิเลสเราหนาขึ้นกิเลสเราเพิ่มขึ้น นะหรือพูดง่ายๆคุณจะเห็นทุกข์ได้เนี่ยคุณต้องเห็นกิเลสถ้าคุณไม่เห็นกิเลสคุณไม่มีวันเห็นทุกข์เพราะทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดเพราะกิเลสเราที่ทําให้ทุกข์ไม่ใช่เพราะอย่างอื่นเลยนะเพราะกิเลสตัวเดียวที่ทําให้เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้แต่ตอนนี้กิเลสเนี่ยโอ้โหคราวนี้กามก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีใช่ไหมเราเอา แค่สามตัวใหญ่ๆปรากฏว่ากิเลสการมบางคนมองเห็นง่ายไหมว่ามันเป็นทุกข์กิเลสการมกิเลสความยินดีความชอบใจความพอใจเห็นยากนะเพราะอนั้นบางทีนี่กลายไปเห็นเป็นสุขใช่ไหมไม่เห็นว่าเป็นทุกข์อ่าเนี่ยแล้วคุณจะทํายังไงให้เห็นเป็นทุกข์ได้ส่วนโทสะโอ้คุณเห็นง่าย โทรศัพี้เห็นเป็นทุกข์ง่ายยิ่งคนนี้มาโมหะเป็ไงโอโหส่วนใหญ่เลยว่าโมหะก็เพราะตัวโมหะนี่แหละมันทําให้เลยบางทีไม่เห็นว่ากามเนี่ยเป็นทุกข์เห็นว่าความยินดีความพอใจอะไรพวกนี้นะราคะตัณหาอะไรเห็นว่าเป็นสุขก็เพราะโมหะนี่แหละมันทําให้กลับตาลปัดเลย คนที่จะเห็นทุกได้จริงนี่นัหรือเห็นตถาคตเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะได้จริงเนี่ยบอกได้เลยว่าจะต้องฝึกปือจะต้องสั่งสมแล้วก็จะต้องจะต้องกระทํามาด้วยตัวเองจนกระทั่งเกิดดวงตาเห็ น, หนธรรมเนี่ยหรือเกิดดวงตาเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพุทธะเนี่ยนัเห็นตถาคตเนี่ยคือเห็นพุท ธ, ธนะนัพุทธะก็คืออะไร เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยคุณจะมีดวงตาเห็นทุกเห็นพุทธเห็นธรรมะได้นี่นะคุณจะต้องรู้ได้ด้วยตัวคุณเองไม่ใช่พระพุทธเจ้าบอกแล้วคุณก็รู้ไม่ใช่เพราะถ้าถ้าแค่บอกแล้วรู้ได้เนี่ยนะโอ้โหบรรลุธรรมไปละนาวเลยทีนนี้มันไม่ใช่สิบอกให้เรารู้เนี่ยคุณปะไตรปิฎกก็อ่านกันมาอย่างเงี้ยก็ยังไม่รู้เลยนะยังไม่เห็นทุกเลย เผอเพอรก็เอาเอเอาไปหนุนผัวเป็นหมอนอย่างเดิมคุณก็ไม่ได้เอามาประพฤติไม่เอามาปฏิบัติเพราะมันไม่เห็นทุกข์อะมันจะเอามาปฏิบัติยังไงเพราะฉะนั้นจนกว่าคุณจะเห็นทุกข์เมื่อคุณเห็นทุกข์ได้เนี่ยแล้วก็ต้องเห็นด้วยตัวเองใช่ไหมว่าโอโหกามนี่มันทําให้เราทุกข์อย่างงั้นทุกข์อย่างนี้แล้วมีโทษมีภัยที่จะทําให้เราเดือดร้อนตามมาอย่างงั้นอย่างนี้ จนกระทั่งเนี่ยคุณชัดเจนคุณเห็นอย่างนี้คุณถึงจะเริ่มลดละใช่ไหมคุณถึงจะไม่อยากมีไม่อยากเป็นอย่างนั้นแล้วแม้บางทีบางคนไม่ได้โดนด้วยกับตัวเองเห็นคนอื่นเขาทุกข์เขายากเขาลําบากเพราะกิเลสต่างๆแค่เห็นอย่างเงี้ยโอ้โหลูเลยเข้าใจเลยไม่ต้องไปโดนเองก็ได้อะนี่มีบารมีมาพอสมควรเลยรู้ได้ได้ง่ายได้เร็ว น, นั้นนี่ยเนี่ยคือพุทธเป็นผู้รู้ เพาคำว่าพุทธะเนี่ยผู้รู้เนี่ยคือรู้ทุกอริยสัจนี่แหละรู้อริยรสัจสี่นี่แหละคําว่าพุทธะเนี่ยผู้รู้เนี่ยคือรู้อริยสัจแล้วพอรู้อริยสัจปั๊บก็ถึงเป็นผู้ตื่นคืออะไรตื่นจากกิเลสมันไม่อยากอยู่กับกิเลสแล้วเพราะมันรู้ว่ากิเลสเนี่ยแหละเป็นตัวต้นเหตุเป็นตัวทําให้เราทุกข์มันถึงต้องไม่ได้แล้วกูไม่นอนจมอยู่กับมึงแล้วนะวกูขอลุกขึ้นมาละขอ ตื่นขออะไรอะ่ะเดินไปที่อื่นแล้วไม่ไ ม, ไม่มานอนจมกองกิเลสอยู่อีกต่อไปแล้วเพราะเท่ากับเรานอนจมกองทุกอยู่เนี่ยมันจะรีบลุกขึ้นเลยนะไปเลยไม่ยอมหลับไหลอยู่กับกิเลสตัวนั้นหรือความทุกข์อ น, นั้นแต่คุณดูสิหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่เรายังจมอยู่กับทุกข์งั้นจมอยู่กับทุกข์งั้นเพราะอะไรเพราะยังยังไม่เห็นทุกข์แท้ จ, จริงบางคนนะ่ยปากบน่นโอ้ยโอ้ย กลัวแล้วกลัวแล้วไม่อยากมีลูกอีกแล้วไม่อยากต้องคลอดลูกอีกแล้วเดี๋ยวมีอีกและได้มีอีกแล้วคือคืออันนี้ไม่ได้เห็นทุกจริงอันนั้นมันเห็นความเจ็บปวดโดยธรรมชาติเท่านั้นเองที่อเกียรธรรมมาบอกตอนต้นอา้าวโอ้โหกูจะทอดคลอดลูกออกมาใช่ไหมเรื่องสรีระเรื่องกายร่างกายอันนี้มันเจ็บปวดโดยธรรมดาธรรมชาติอะอย่าว่าแต่คนเลยแมวหมูหมาอะไรมันก็เจ็บปวดมันก็ทรมานเหมือนกันอนะอย่างนี้ แต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของกิเลสใช่ไหมแต่อัที่เป็นเรื่องกิเลสอะไรโอ้โหอยากมีลูกอ่าถึงได้เนี่ยต้องไปยุ่งเกี่ยวต้องไปเสพเมทุนอ่าหรือว่าอ่ะไปรักผู้หญิงหรือไปรักผู้ชายมาแล้วก็อยากเสพพวกนี้เอา้าก็เลยไปเสพแล้วก็ตั้งท้องอะไรอย่างนี้อา้าแล้วเดี๋ยวนยอย่างเงี้ยเออถึงจะมองเห็นทุก ถ้ามองเห็นทุกอย่างนี้ได้โอ้โหชักไม่อยากไปยุ่งเลยใช่ไเรื่องกามอย่างนี้เรื่องจะไปเสพอย่างนี้ก็ไม่อยากไปมีไม่อยากไปเป็นเพราะเห็นอย่างนี้เห็นไหมพอเป็นผู้รู้อริยศาส์เห็นทุกอย่างนี้ถึงจะเป็นผู้ตื่นออกจากสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นออกมาจะไม่ยอมจมอยู่กับทุกข์นั้นพระเจ้าท่านเปรียบเหมือนกับเหมือนกับกิเลสเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นหลุมหลุมอุจจระหลุมอึหลุมขี้อย่างเงี้ย คุณไปจมอยู่คุณรู้เลยโอ้โหสกรปรกเหม็นโอ้โหนอนยัวเยียรเงี้ถ้าคุณเห็นชัดแล้วว่าโอ้โหนี่มันสกรปรกมันเหม็นคุณไม่อยากอยู่หรอกโอ้โหเพนออกจากบ่อท่า น, นได้ก็รีบเพนเลยอ่ะใครจะไปอยากจมอยู่อ่ะใช่ไหมเพราะนั้นมันจะออกมาเลยแล้วก็พอคุณพยายามตะเกียกกา ย, กายจนออกมาจากบ่อไออุจจาระเหม็นนี่ได้เนี่แหละคุณถึงเบิกบานได้เนี่ยเดี๋ยคือคําว่าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพุทธะเนี่ย ถึงถึงใช้คำสามคําว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานในธรรมเนี่ยเบิกบานในการกระทําเบิกบานในการปฏิบัติธรรมะ ท, ทั้งทงที่หน้านองน้ําตาอยู่เนี่ยแต่คุณจะเบิกบานที่จะปฏิบัติธรรมะคุณฟังดูดีๆนะโอ้โหทรมานนะทุกนะต้องสู้กับกิเลสเราเนี่ยทรมานใจเหลือเกินฝืนใจเราเหลือเกินแต่คุณจะมีความเบิกบานในธรรม คุจะมีปิติสุขในการที่ที่ได้สู้กับกิเลส ท, ทั้งท้งที่โอ้โหฝืนใจเราเหลือเกินน้ําตานองหน้าแต่คุจะมีปิติสุขที่คุณนี่ได้สู้กับกิเลสยิ่งคุณชนะนี่นะโอ้โหคุณเบิกบานกระหึมเลยแหละคราว น, นี้ชนิดที่เรียกว่าหาความสุขใดเนี่ยจะมาเทียบกับความสุขที่เอาชนะกิเลสได้เป็นไม่มีความสุขอื่นมื่นแสนเนี่ยเพราะ การที่คุณชนะกิเลสตัวนั้นได้คือคุณพ้นทุกจากกิเลสนั้นยิ่งถ้าคุณพ้นทุกแบบถาวรคือนิพพานคือ ค, คุณพ้นทุกแบบถาวรจากกิเลสนั้นได้นี่กิเลสนั้นไม่สามารถดึงคุณกลับให้ไปทุก์อยู่อีกนี่คุณเบาโล่งเลยเขาเรียกว่าเบาลมมาสุขที่คุณ น, นี่จะไม่มีทุกเรื่องนั้นมาหลงเหลืออยู่อีกเลยคุณปลอดโปร่งเลยนะเบาสบาย แล้วคุณก็ยิ่งมีกําลังใจที่จะอืปฏิบัติทำรรเนี่ยยิ่งขึ้นต่อไปอีกมันจะเบิกบานในธรรมะเนี่ยโอ้จะยิ่งทำใหญ่เลยคราวนี้เพราะมันเห็นเลยว่าโอ้โหหลุดจากอนนั้นมาได้นี่โอ้โหสบายขนาดนี้เฉลือหลุดจากอนนั้นมาได้มันก็อยากหลุดจากเรื่องอื่นๆมาอีกที่จะทําให้เรานี่ยโอ้ยิ่งสบายยิ่งกว่านี้เราก็ยิ่งชอบที่คุณเพราะเนี่ยใครยิ่งสัมผัส ความเบิกบานในธรรมอันนี้ได้จากการที่เราหลุดจากเรื่องนั้นเรื่องนี้มาได้คุณลองไปนึกเอาเองเรื่องไหนที่คุณหลุดหลุดมาได้แล้วคุณมองย้อนออกออกไปเลยนะบุพเพนิวาสานุสติญาณคุณลอเลือกย้อนไปเลยว่าโอ้โหหลุดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาได้แล้วคุณสบายยังไงได้อาคุณจับอารมณ์จับอาการนั้นไว้แล้วให้คุณลองไปนึกกับอีกหลายๆเรื่องที่คุณยังไม่ชนะมาทีเดียวคุณกาลังสู้อยู่ แต่จะเหมือนกันตรงถ้าคุณสู้ชนะเรื่องที่คุณสู้อยู่นั้นมาได้คุณก็จะสบายเบิกบานโอ้โหอาการโปร่งโล่งจะเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันบอกโอ้โหเบากายเบาใจมากเลยนั่นแหละมันทําให้เราเนี่ยอยากจะพ้นทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกเรื่องคุณสามารถทําได้เกลี้ยกล่อไม่เหลือเลยแล้วนั่นแหละมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความ สบายมีความที่เรียกว่าอะไรอะ่ะอยู่เหนือเหนือโลกีอยู่เหนือโลกได้อย่างชัดเจนได้อย่างแท้จริงแล้วคำตอบนี้ไม่มีใครตอบได้คุณคุณเท่านั้นที่จะตอบตัวเองได้ว่าคุณเห็นทุกข์แล้วหรือยังคุณเห็นธรรมแล้วหรือยังคุณเห็นพุทธะแล้วหรือยังตัวเองเท่านั้นที่จะตอบตัวเองได้นะเอา้า วันนี้คงฝากไว้เท่านี้